ประชาชนตำหนิประชาชนพากันตำหนิประนามโพรธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสกยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศีลชอบพูดเท็จแต่ก็ปฏิญญาว่าประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์พูดจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมพวกท่านไม่มีความเป็นสมณะไม่มีความเป็นพรามความเป็นสมณะความเป็นพรามของท่าน เสื่อมสิ้นไปแล้วพวกท่านจะเป็นสมณะเป็นพรามได้อย่างไรพวกท่านปราศจากความเป็นสมณะปราศจากความเป็นพรามแม้พระเจ้าแผ่นดินก็ยังถูกสมณะเหล่านั้นหลอกลวงได้ฉะนคนอื่นจะไม่ถูกหลอกลวงเล่าพิสษุทั้งหลายได้ยินประชาชนตาหนิประนามโพลธนาบรรดาพิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวัง ไฟการศึกษาจึงตําหนิประนามโพลทนาว่าชไนท่านพระนิยะกุมภกา ร, รบุตรจึงขโมยไม้ของหลวงที่เขาไม่ได้ให้ไปเล่าครันบีกสุดทั้งหลายตําหนิท่านพระนิยะกุมภกา ร, รบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ